จะเรีนู้ที่ทำด้วุกท่า น, นะนเก่าก็ดีฝนใหม่ก็ดีนะเก็นขนะึ้นสบายนั่งตปให้นั่อองให้นั่งแบบผ่อใจสบายๆนะ่อนคายคือถ้าเราสบายมันจะไา ม, ม่คายมะก็จะไม้นเข้าไปด้ยมันจะดีดี ดินกระด้วนนะครับดินกระด้วนเวลาฝตกก็ก็จะซึมน้าได้ดีนะแต่ถ้าเป็นดินทรายก็ซึมดีก็จริงนะเต็มนไม่อยู่นะครับฟังแบบเข้าหนูซ้ายเข้าลูกหนูาแต่ถ้าเป็นดินเหนียวหรือดินแข็งๆก็ก็ไม่ค่อยซึมต่อไปดินที่ดีที่สุดก็คือดินร่วน ต ăm, ื ý, à à này, ่ก็ไปด้วยแล้วก็เก็บทรัพย์ปลอนชื้นจากน้ำด้วยจิตใจที่ดีที่สุดสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมก็คือจิตใจธรรมดาจิตใจแบบที่แบบไม่ได้เค่งเครียจริงจังเกินไปแล้วก็ไม่ใช่ว่า่งลอยคิดซึ้งสร้างไปด้วย จิตใจธรรมดาปกติธรรมดาเนะ่ะคือจิตใจที่ดีที่สุดในการที่รับรักษาธรรมพราะพพุทธเจ้าท่านก็เลงเห็นว่ามนมุษย์นี่แหละนะคือเป็นสว์ที่จะดับรับรักษาธรรมได้ง่ายที่สุดทำไมเจวดาหัวคมซึ่งที่จริงก็ดูน่าจะ น่าจะดีกว่ามนมุษย์เทวดาเนะี่ยเป็นคนที่จิตใจดนะีมีความสุขนะหรือพรมจิตใจสงบนีนะ่แต่พรธเจ้าทนะ่ามนะุษย์เาเป็นเป็นสัตว์ที่รับประทาได้ไม่ง่ายที่สุดก็มากที่สุดด้วยเพราะบางทีอย่างถ้าเป็นแบบเทวดา จิตใจมันมาสุขเกินไปมันมีความสุขนะสุขสบายร่องรอยไปเรื่อ ย, อรยหรือคงมันติดกินหนี้เงี่ยเจยเกินไปอันนี้ไม่ได้พูดถึงเทวดาคนต่าลหรือคยคงมันโรกนะผมทำนักปฏิบัติธรรมเองก็งเหมือนกันนะ่ะเราไม่ต้องไปทมใจแบบนะั้น บางทีพอเราคิดถึงการปฏิบาาัติธรรมเราจะคิดถึงว่าทำใจให้มันนิ่งๆทำใจน่มันแบบไม่เหมือนคนธรรมาดาต้องทำให้มันนิ่งทำให้มันถึงหรือบางทีก็กาลยบบายเป็นเครียดแล้วกาปฏิบัติธรามจะรูสไมดีจะตั้งท่าตั้งท่าตอนนี้ในใทยเหมือนถ้าเป็นแบบโค้สองจา คงลงละเป็นนักปฏิบัติธรรมก็เริ่มมีมีแบบฟอร์งฟองผู้ปฏิบัติธรรมเข้ามาละแต่เดเิมก็ต้องตาตาคืนคืนค น, นิ่งๆตามใจคืนคืนนะแก่นั่งก็เหมือนกันอันนี้เป็นฟอร์มนะฟอร์มคำว่าฟอร์มก็คืออะไรตัวตนค ำ, คำว่าฟอง คือเราสร้างตัวตนขึ้นอย่างหนึ่งขึ้นในจิตใจเราปฏิบัติจริงๆก็เพื่อละตัวตนทําลายทําลายตัวตนที่มาดหลเข้ากัสร้านั่นแหละอันนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมอย่างเธอเป็นผู้ตั้งฟองจึ่งจิอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นตัวตนที่เป็นข้อตัวตนเก่ตัวตนตอนนี้เป็นนักปฏิบัติธรรมตัวตนตอนนี้ ไนหน้ปฏิบัติธรรมั็ต้องมีเกิตัวแบบกิจแบบนี่นะนั้นปฏิบัติธรรมจริงเนี่ยคือการทําลายตัวตนทําลายเกิตัวเนี่ยจะอะไรเมื่อรู้ทานว่าจิตใจเกิดสร้างออกสร้างสร้างรูปแบบอะไรขึ้นในจิตใจคือเริ่มกิจาระนั้นปฏิบัติธรรมนะไม่ต้องเด่นหน้างอม คืน string, คืนซึมซึมหรือว่าเข็งเรียยหรือว่าทำให้มันี่มีิ่งติดธรรมชาตินั้นแต่ละนั่นปกติธรรมดาติหรือเว่าราปฏิสัทธ์รในรูปแบบก็ก right. ็อาศการเคลื่อนไหวธรรมดานี่ยแหละเรก็รู้สึกตัวอย่างบอกว่าเทียนไม่ได้ถือตอนพิุเมรู้สึกความรู้สึก ก็ไม่ต้องบอกว่าต้องวางต้องทําแบบวิ่นี่แล้วก็รู้สึกนะนะคือถ้าบอกคิดรู้สึกยกรู้สึกวางรู้สึกเนะี่ยคือทำสบา ย, บายถ้าเราเคยปฏิบัติบางทีงเห็นจะมาได้ก่อนนะเคยเคยเรียลมหายใจนะบางทีพอเราคิดถึงเรียนลมหายใจเรา มันเหมือนต้งไปบังคับลมหาใจให้มันยาวตัวปกติให้มันละเอียดตัวปกติแล้วพอทํำไปแล้วภาพเราก็จะเี้นเพราะว่าเราไปต้องบังคับเขาโดยกรแต่ถ้าทํำถูกนะหายใจแบบไหนเขาแก้รู้สึกว่าร่างกายเขาหายใจแบบนั้นหายใจจะไปสบายรู้สึกตัวเป็นเรื่อยแต่ที่ของเราจะเน้นกิจกรรม อยบยลตอนนั้นคือสุดตายเสื่อมไหวเราจะมาเรียนรู้รู้จักให้เปินติอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือจยูกับร่างกายธรรมดาของเราให้ไดนะพระพุทธเจ้าท่านได้สอนให้เราไปทําอะไรที่พิสดารนะท่านบอกว่าเดินก็รู้สึกตัวยืนก็รู้สึกตัวนั่งก็รู้สึกตัว นอนก็นรู้สึกตัวนะกินดื่มขับถ่ายก็ให้มีความรู้สึกตัวขณะที่ทำนะท่านแม่ต้องสอนให้เราไปทําอือะไรที่มันทํามันเตือนคิดประจานของเราออกนะคือจะเรียกว่าทําอะไรก็ให้เรามีความรู้สึกตัวอยู่ในการจัดการนั้นนั้นะนะบางทีพอเราที่ถึงการปฏิบัติเราจะคิดถึงว่าเราต้องไปอยู่ที่วัด หรือต้องปีกไปอยู่ในที่อื่นไม่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนอันนั้นก็เป็นรูปแบบหนึ่นะแต่แต่ทางปฏิบัติทําจริงๆนะต้องทําตลอดทั้งตั้งแต่ตป่นจนถา่าเราจะปีกออกจากงานได้ตลอดทั้งวันหรือว่าหรือตลอดทั้งเดือนหลบบมันก็เป็นไปได้ยากเราจะปีกออกจากผู้คนตลอดเวลาเลยรแบบันก็เป็นไปได้ยาก แต่พเจ้าท่านให้เราปฏิบัติทําในชีวิตจริงของเราเนี่ยแหละอย่างเดินนะก็ต่างจากเดินปกติเดินปกติจะเดินยังไงถ้าเดินกับเพื่อน้าเดินคุยกันไปะอจิตใจก็ไม่อยุบไม่ได้สนใจการเดินแล้วับควาเบาหลก็สนใจในติดคิดพูดคุยกับเพื่อนหรือถ้าเราเดินคนเดียวก็ ไม่ค่อยได้มองตัวเองหรอกค่อยไดมองติดงรอบข้ า, างถ้าสิ่งรอบข้ า, างไม่น่าสนใจเราก็จะอยู่กับความคิดอยู่กับความคิดต่างๆอันนี้คือเดินแต่คนทั่วไปได้ตือว่าเดินแล้วต้มีรู้สึกตัวแต่ตอนนี้เราจะฝึกเดินในให้เวลาเดิ น, นกายก็เดินใจก็รู้ ใจคืออะไก็รู้ต to ัวว่าขณะคิดเดินแต่ไม่ต้องว่าพี่พูดว่าเรากำลังเดินหรือว่าเรากำลังโยกกำลังเหวียงในแบบนี้ไม่ต้องแค่รู้สึกรู้สึกถึงอย่างขณะเนี้ยเรานั่งก็แค่รู้สึกรู้สึกถึงร่างกายที่มันบีในแบบนี้ใช่ไหมนั่งต่กองจีเนี้ยไม่ต้องคิดนะไม่ต้องคิดว่าเรากำลังนั่ง ก้องิดไหมก็นั่งก็ของจริงเน่ยถ้ารู้สึกนะตัวรู้สึกตัวชาติตอบลองจับขาได้เลยรู้สึกเนี่ยรู้สึกอะไรนะเนี่ยแล้วเราก็อยู่กับปัจจุบันจิตตรงนี้นะคาว่ารู้สึกตัวก็คือรู้ว่าปัจจุบันนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่แต่ไม่ต้องไปตอบนะฉันกำลังนั่งอยู่คาว่าก็คือแค่รู้สึก รู้สึกถึงปัจจุบันที่กำลังมีอยู่อันนี้เรียกว่ารู้สึกตัวนั้นทาอะไรก็ได้นะเราสามารถรู้สึกตัวได้ทั้งหมดแหละแต่วงได้ที่นี้เนี่ยนะไม่ใช่ความผิดกลิ่นนะ <S <S กินเหล้าเราลองรู้สึกตัวเนะี่ยอะรู้สึกถึงการยกแก้วการดื่มเนี่ยมันมันไม่ใช่นะเพราะว่าเขารู้สึกตัวดี เช่นเรารู้กายเคลื่อนไหวนะมันจะมันจะด้วยเป็นกุศลและจิตเลยนะนะไม่ใช่เลย้ากุศลเ ป, ป็จิตนะเช่นเราตกโยงเหื่อย น, นะจิตมันมีโทสะนะมันก็ตกไปนะหรือกินเลาจิตก็เป็นโมหะนะก็ก็เป็นมีวนะ ค, มความโกรธเข้าไปด้วยอันนี้เรียกวา่าเป็นท้ากุลเจ็จิตสติจะเจิดได้จริงๆว่าเกอจักกุศลเปลจิต คิกจตที่มันไม่มีไม่มีอุปสมบทเข้ามาเกี่ันดังนั้นนะตามขั้นไหวของเราเนะน่ยนะเ ร, เราก็รู้สึกตัวสบายจะบายรู้สึกตัวสบายจะบายไปไหลวงพอ่อเทียที่จะเน้นส อ, อนให้เรารู้สึกที่ง่ายๆก็ถึงใ น, นที่ร่างกายก่อนางกายตั้แต่อยาบๆนะี่ะพลิกมือรู้สึกยกมือรู้สึกเดินรู้สึกต่อไปนะ ต่อไปก็เคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้เพื่อนก็รู้หยุดก็รู้เพื่อนก็รู้หยุดก็รู้ต่อไปกีตาร์บอดเล็กๆที่มันที่มันทำของเองมันก็จะรู้แทรกเข้าไปนะบางทียกเงินใจด้วยนะบางทีโดนหายใจรับขณะดมันก็รู้สึกบางทีจะทิ้งตาก็รู้สึก อย่าจะมาพูดอยู่ก็ก็รู้สึกถึงการขยับของฟ้าการขยับของฟ้าการนั่งก็รู้สึกอยู่เป็นตัวลมแอร์แล้วก็ปลุกตัวก็รู้สึกคำว่ารู้สึกไม่ใช่เราต้องคอยดูที่นั่ที่นี่นะคือมันเกิดอะไรที่มันกะทบมันเดินเข้ามาเราก็รู้เนี่ยเรินก็้นจากเด็บอยากยืนเดินนั่งนอนต่อไปเนี่ยพููเหยียดเคลื่อนไหว กระพริบตาหายใจในเล็กน้อยเนี่ยเราจรู้สึกได้ต่อไปมันจะเข้าไปรู้ติดลิตามองไม่เห็นก็คือรู้รู้จักจิตใจรู้ทันความคิดเราพลิดมือเคลื่อนไหวบางทีใจก็จะแร้ไปแร้ไปแร้ไปคิดถึงคนที่บ้านคิดถึงเพื่อนคิดถึงนาคิดอะไรก็ ไม่สำคัญนะแค่รู้ตัวว่าใจมันเปิดติดคิดเด็กคิดดีหรือคิดไม่ดีมีค่าเท่ากันนะเคสท้าหนังเลยเหมือนเวลาเราดูละครอ่ะเข้าใจไหมเวลาเราดูละครดูอะไรก็ได้ที่เราชอบอ่ะตอนนั้นเราก็วิ้งก็จะไม่ค่อยรู้ตัวว่าเรากำลังนั่งดูละครอ่ะคืใจเราไปอยู่ในในตรงนั้นอ่ะ เวลาเราคิดอะไรนะสิตใจก็ไปอยู่ในความคิดตรงนั้นไปเลยแต่ต้องก็ดึดูตัวว่าไอ้ไอ้ตัวเราเราหน้าอยู่ตรงนี้นี่ยนั้นเวลาเราเต๋อไปนะให้เรารู้ทันะรู้ทันว่าใจมันเปิดเป็นคิดไม่เป็นไรนะแค่รู้ว่าใจเต๋อเป็นคิดเท่านั้นก็เรียกว่าเรามีสติแล้ว เราจะเห็นความเผลอไปคิดแทรกเข้ามาในการเคลื่อนไหวไปบ่อยนะสติก็จะเกิดขึ้นมันจนนะนะ่ารู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกเนะี่ยนี่เรียว่ามีสตนะิต่อไปนะมันก็จะเห็นเห็นอะนไรเห็นตัวคิดก็ อ, อันนึ่งนะตัวที่รู้มันคิดก็ อ, อันหนึง มันจะเห็นในที่จริงแต่ก่อนนะที่เราเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เราคิดว่าอีกความคิดมันเป็นเราเป็นเราคิดเป็นเราคิดดีเป็นเราคิดไม่ดีเป็นเรารู้สึกมีสุขเป็นเรารู้สึกมีความทุกข์แต่ถ้าเราเห็นจริงมราจะเห็นว่าที่จริงมันเป็นแค่ความคิดก็เป็นแค่ความคิดไม่ใช่เราความสุขหรือความทุกข์ก็เป็นแค่ความสุขความทุกข์ไม่ใช่เรา เราจริงๆไม่ได้เป็นตรงนั้นจริง ๆ, งๆ น, น, ง น, น, น, นะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เป็นอะไรนะมันจะเป็นอะไรแต่คิดอะไรก็เรื่องของมานแต่พอเราเห็นแล้วมันมันไม่ เ, เข้าเกี่ยวเกี่ยวกัเขาด้วยนะคือสติมันจะแก่ยากขึ้นเรื่อยๆการฝนะึกสตินะสำหรับคนใหม่ที่ขึ้นมาฝึกตรงนี้นทันทีมันอาจจะดูแรกๆเหมือนไม่เหมือนไม่ได้อะไรเท่าไหร่ มันอาจจะทําไปบางทีก็คุ้งซ่านทําไปแล้วก็ไม่ค่อยสงบไม่ค่อยจสบายเนะี่ยแต่ถ้ามาสอนทําสมาธินะทําได้นะนะสอนสมาธิเนะี่ยสบายนี่เงี้ย น, น, นะตุกนะแต่มันใช่ช่วขณะเดียวนะไม่นานนะแต่ถ้าฝึกสติเนะีะแรกๆอาจจะไม่สมบงบอารมณ์แต่แต่เราจะฝึก แยกสติเนะนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดวิปัสนาวิปัสนาจริงแปลว่าเป็นการแยกแยกแยกเรื่องต้นคือแยกรูปแยกนามภาษาเนี่ย yeah, nah. นะคือแยกกายแยกใ จ, ใ จ, ใจแต่ก่อนที่เรายึดติดว่ามันเป็นเราเป็นของของเราเพราะว่าเนะี่ยมันมีความสัมคัญนะั่นหมายว่าตายเนะี่ยเป็นเราใจเนะี่ยเป็นเรา วิปัสสนาจะทำให้เราเห็นว่าที่จริงธรรมชาตินะคือมันมีกายจัตใจมีรูปหรือนามรูปกับนามคำว่าเราจริงเราเปิดตัวเอาเราเป็นทิศเอาแต่จริงบางทีรูปกับนามเราก็สืบดูตั้งแต่ตอนเบื้องต้นนี่เลยนะเนี่ยตายเคลื่อนไหวใจเป็นผู้รู้เนี่ยสืบไปเลยนะ กายเด้อใจรู้กายนั่งใจรู้กายปีนใจจะถึงแต่คำว่าใจรู้เนี่ยไม่ใช่คิดเขานะบางคนเขาบอกใจรู้เนี่ยอีกคิดเนีลยใจตรงไหนมันรู้ตรงไหนไม่ต้องคิดคือที่เนี่ยเราหายใจนช่ไหายใจเสร็จไหม รู้สึกไหมไอ้ตัวที่รู้สึกน่ะว่าจะบายใจนั่นแหละนั่นคือคือเรารับรู้แล้วแต่ถ้าเราไปคิดถึงคนที่บ้านแต่เราไปคิดถึงคนที่บ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เราก็อรู้ตัวเราเราจะไม่รู้ลมหายใจตอนนั่งเราก็รู้ตัวว่าเรานั่งเนี่ยคือไม่ต้องไปกดไม่ต้องมาคิดมากว่า ไอ้ใจรู้คืออะไรนะไม่ต้องไปหาไอ้ที่ร mm. ู you know ้สึกที่รู yes. hmm. ้ตัวอยู่ว่าตอนนี้แต่ละทํำไปนี่คือเรียกงของใจมันรู้ละแต่เราจะแยกไม่ใช่ว่าคือการปฏิบัติแบบเจริญสติเราไม่ได้เข้าใจเข้าไปแน่ในสิ่งที่กําลังทําเอาไว้แน่ไปแบบไปเกไว้นียไปสามันแบบไม่ไม่แยกจากกันเลย อย่าเดี๋ยวจะมาแนะนํอย่าเช่นอ่ะเวลาพลิมีเราก็ไม่ใช่ว่าคนใจเราจะอยู่ที่มือแค่รู้สึกพลิกมือรู้สึกยกมือรู้สึกไม่เอาใจก็ไปอยู่นะนะรู้สึกเฉยเดินตรงนั้นกันไม่ได้เอาใจไปอยู่ที่เท้าเวลาเดินก็รู้สึกเดินรู้สึกเห็นมาพูดอยู่นะต้องไม่ต้องเอาใจไปอยู่ที่ปา มันก็แค่รู้สึกเวลามาขยับเราก็รู้สึกคนะือถ้าเราเอาใจเราไปอยู่ที่ใดที่หนึง่งนะเราจะดึงดูกายส่วนอนื่นคำว่าสติที่จับรู้สึกตัวทั้งคอคือมันรู้ทั้งตัวนะแต่มันไม่ใช่คล้องกันมันรู้ทั้งตัวแต่ไม่ได้ค้องกันคือมันเต็มตรง ไ, ไหนมันก็รู้แบบนั้นไอ้มั้ มักเก็บเทียบเหมือนเราดูทีวีเวลาเราดูทีวีเราดูไปทั้งจอเวลาตัวละครตัวไหนเขาแสดงเขาพูดเราก็รู้ตรงนั้นก็คือเรารู้แบบนั้นเราดูตัวเราเองก็เหมือนกันดูไปทั้งตัวแต่บางขนาดทางวิยวศาบางตัวมันเด่นกว่าเราก็รู้สึกที่ตรงนั้นอย่างนี้คือแต่ถ้าเราทําแบบสมมติ เราจะเอาใจไปอยู่ที่ส่วนใดส่วนสน่วนเดียวไม่สนใ จ, จส่วนอื่นเลยพอทําให้ใจอยู่กับส่วนเดียวเลยเนะี่ยเรียกว่าอารมณ์ธรรฐานอันเดียวจิ ต, ำตำำใจก็อยู่กับอารมณ์เดียวนะเรียกว่าเป็นธรรมฐแต่ถ้าทาแบบวิปัสสแบบนานะคืออารมณนะ์ธรรฐานเนี่ยจะเป็นตายอะไรก็ได้ใจอะไรก็ได้อารมณ์มีหลายอย่างแต่ใจ เป็นตัวเดียวที่รู้ไม่ใช่เอาหนึ่งเดียวประสารงานนี้นะเช่นบางทีถ้าเราบริการอะไรก็ได้นะอยู่กับคําบริการมอย่างเดียวไม่สนใจโลกบริการบริกรรมบริการมันต้องอาจจะสงบเพราะเราไม่สนใจอย่างอื่นนะฮี่ที่จริงสมถะธรรมน่าเอาง่ายๆนั่นเหมือนถ้าคนทั่วไปฟังเอง โหมีแต <c ười> <c ười> ่ตารเบลนะนะมันเด็กๆอ่ะฟังแต่นี้ไม่เขาไม่ใช่ตาเบา้อนะจบลว่ะปิแอร์ัซล่าลืไปล้วเาร์เอตก็อยู่โลกของเราก็มีแต่เพลงที่เราฟังด้นะมันก็อยู่แค่ตรงนี้มันก็เป็นสงบนะไม่ไม่ทุกร้อนนหนึ่แต่ วิปัสนาจริณเรารับรู้ทุกอย่างเปิดเรารู้ทุกอย่างทำตาทำหูถ้าเป็นหูทำลิ้นทำกายทำใจไม่ต้องเกร็งตั้นแต่ที่ว่าเรามีจมื่นไว้เป็นพาื้นฐานไว้เน็ตเช่นเนี่ยกายขึ้ื่อนหเราก็ดูกายเคลื่อนไปแต่ถ้ามันมีอย่างอื่นมาเดชเข้ามาแทระเราก็แค่รู้มันต็มงแทะเข้ามา มือนคล้ายๆเนี่ยเราเนี่ยที่มาเปรียบเทียบเนี่ยเราดูทีดีนะเราก็ดูไปคนจะเดินต่านหน้าทีดีเราก็เห็นนะเขาเดินไปก็ไม่ต้องไปตามเดูเขาเราก็ดูทีดีของเต่อการดูทีดีถ้าเปรียบถ้ามาเปรียบเทียบก็เหมือนในไทยเนี่ยเราดูไกลขึ้นไปเราก็ดูไกลขึ้นไปไปบางทีความคิดเขาแทรกเขงามาเราก็เห็นความคิดตาไปเราก็เห็นใจของเราต่อ แต่นี่นะอันนี้เรียกว่าตสราฐานตสมาฐานที่ฝุกในระดับทีเราแยกนะแยกว่าตัวใจที่เป็นผู้ดูเหมือนอันหนึ่งสิ่งที่ถูกดูนะ่ะจะเป็นอะไรก็ได้เป็นตายที่เดินก็ได้นั่งก็ได้หายใจก็ได้ความคิดก็ได้ความสุขความทุกข์ก็ได้นะเอาเข้าจริงๆนะถ้าเมื่อใดสติเราเข้มแข็งจริงนะ ดูความมั่ง no. ก็ได้จริงๆแต่ก่อนถ้าสติไม่เคลื่อนแเนี่ยกลาเป็นเรางัวไม่ไหวแต่ถ้าสติเค้นแฉนะ่ยความม่งก็เห็นมั่งนะมั่งก็หนึ่งนะสติก็หนึ่งเลยความมั่งเข้ามาไม่ได้ข้อหน่อไม่ได้แต่มนในมั่งอยู่ะแต่มันไม่เห็นว่าเป็ดของมันกันความคิดก็เหมือนกันนะมันก็เห็นนะมันตกฟุ้งๆของมันนะ แต่ใดที่รู้มันก็เป็นอันหนึ่งมาคอบหลบบ้องเกี่ยนเม่เกียวเทียมอ่ะบางทีต้องบอกกิเลนอ่ะเหมือนเหมือนยุงอยู่วัดเนาะหรือเชิระบดอ่ะเราใช้มงอะแต่สมมยนี้โยมไม่ค่ช้มง่ะมีมงด้วยอ่ะถ้าเรานั่งอยู่ในมงนะพันั่งอยู่ในโปดเลยอยู่ในบรอ มันเข้าไม่ได้มันต้องกินลอกลอกม้นมันก็สะใจจะเราสะใจมันเข้าไม่ได้แต่มันจะนะยูงกระทงมันตอนไปไวๆล้วก็ลำเส้นใจคล้อไปเองข้างในก็ไปเองนั้นปฏิบัติธรรมนะเราไม่ต้องไปหน้าความคิดนะ ไม่ต้องไปห้ามว่าจะต้องไม่คิดหรือว่าจะต้องคิดแต่ดีนะอย่างเดียวไม่ต้องไปไม่ต้องไปทำแบบนั้นมันติดคิดก็คิดแต่เราไม่ไปกับเขาไม่ห้ามความคิดแต่ต้องไม่ตามความคิดแต่ให้ดูความคิดหนต่นั้น่ยไม่ห้ามไม่ตามแต่ให้ดูล่างกายก็เหมือนกันนะ ไม่ไม่ได้เอาใจตามไปติบตายเช่นนตามตามเนี่ยไม่ใช่แบบใจเราคอยตามไปเรื่อยนแต่ใจเนี่ยคดู ท่านหนึ่งท่านท่านเซเล่านะท่านเซเล่าแบบนี้บอกว่าติต่อเป็นคาราว่าเนาะนะก็เคยแบบเช่นเวลาใช้พิชูนะพอเช็ดเสร็จแล้วท่านมีภรรยาหรือไครอ่ะเยอะคือมันก็โดยธรรมดาก็ไม่เห็นกิดอะไรเนี่ยแต่พอมาปฏิบัติธรรมมันเห็นว่าอันนี้ก็เป็นตัวตนแบบนเงเข คือแบบควารู้สึกว่าเรามันมีคือเวลาเราถ้าเราทําได้เราตื่นเตืนเราเราก็ดีนะทําไม่ได้อาจจะไม่ดีหรืออาจจะรู้สึกเล่นๆก็แล้วแต่แต่พอไปเจอการทเห็นว่าการทําแบบเนี้เข้าเป็นตัวตรงแบบมันมาที่เอียมมากนะแต่ละอย่างมันมันกิเลสมันมีตั้งแต่ยาะความโกรธความเฉียดความอยากได้่นะความโลภอยากจะเอา แต่จริงกิเลสมันเข้ามาแทรกในในการกระทําในความพูดในอร้ยางมากขึ้นนะพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าให้เราให้เราท้อหรือให้เรากลัวก็จะทจําผิดไม่ใช่นะแต่มันให้เราเห็นว่าถ้าเราค่อยค่อยฝึกไปเรืนนะ่อยยเราจะ เราจะค่อยๆเ็ตัวตนที่มันค่อยๆคลายกอกค่อยๆเกิต่อไปเหมือนอย่างามาต้มโรคไทเปตนพูดตั้งแต่ตอนเป็นคนแรกที่เขามาเปลีที่เรื่องอย่การปฏิบัติธรรมไปในเรปอกหอมหอยใหญ่มันค่อยก่อกทีละชั้นทีละชั้นทีลชั้นจสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรในขอมอยใหญ่มันค่อยๆก่อ ความเป็นตัวตนความหลงคิดต่างๆในความเป็นเราเนี่ยนะครับมันก็จะค่อยๆถูกปอกออกไปทีละปอกทีละปอทีละปอกแต่ที่จริงกรรมาฐานที่เจกันนะั้นคือที่จริงเมื่อที่ท่านรู้สึกตัวถูกขนานเดียวเนะ่ยอันนี้นก็ถือว่ามันก็ถูกป้องแล้วนะมันต้องเป็นปกติแล้วมันต้องไม่ทุกข์แล้ว ที่จริงนต้องมีตัวตนแล้ว่ะที่จริงตัวตนก็ไม่ใช่เหมือนกับอหอยใหญ่ต้องกอเป็นติดชั้นสิงจะหมดมันก็ไม่ใช่นะแต่จริงตัวตนนมันแวบขึ้นมาสนานแล้วก็ลลายไปแต่เพราะเราไม่รู้คันว่าคนแวบขึ้นมาเราก็เลยติดจับเขาไว้ยึดไว้แล้วเป็นเราเราต้องเป็นแบบนี้เราต้องไม่เป็นแบบนี้มีมอืม เวลาเราจะททำแบบนั้นฉันต้องพูดแบบนี้ฉันจะไม่พูดแบบนี้เราต้องใส่เสื้อภ้าสไตล์นี้แบบนี้ไม่ใช่สไตล์ฉันเราต้องกินกาแฟอันนี้ไม่กินกาแฟนี้คืออันนี้ไม่ใช่ว่านะมันมีความเป็นเราที่แท้ที่เรามันเป็นเราแบบนี้ไม่ใช่เราแบบนี้หรือเป็นความเป็นเราที่อยากคอื่นมองว่าเราเป็นแบบนี้ ไม่ใช่เราเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราได้ความรู้สึกว่าเราต้องเป็นแบบนี้หรือไม่เป็นแบบนี้หรือคนอื่นมองเราเป็นแบบนั้นหรือไม่มองเราเป็นแบบไหนไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญแต่เรื่องสําคัญจริงเรารู้ตัวไหมว่าขณะที่เราทําอะไรเนี่ยเรามีสติไหมเราจะกินกาแฟอะไรก็ได้ผมว่านะเรากินด้วยความมีสติ เราจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนก็ได้เราใส่ด้วยความมีสตินะมเคือเราซื้อนนด้วยความหลงคือเราใส่ด้วยความก็ใส่ด้วยความเรียกว่าตามการะเพสาบบนี้คือมันจะเห็นว่าที่จริงแต่ก่อนเราทําไปเนะี่ยมันด้วยอะไรกันดะูอาจจะนนด้วยความกลัวกลัวก็มองเราไม่ดีกลัวเรากลัวเรามองตัวเองก็ดูไม่ ด, ด, มมดีใช่ไหม ไรละทำไมเราใส่เสื้อผ้าเราต้องดูกระจบทุกครั้งก็องใหต้องแนใจก่อนว่าเราดูดีแล้วถึงจะให้ก็อื่เขาดูว่าเราดูดีแต่อย่างพ้าดแปะมาต้องอยู่กระจกใส่ไปเลยนะมันก็ไม่ต้องไปอะไรนะอันนี้ก็พู่ไปเรื่อยๆแต่ก็ตื่นใจที่เห็นว่าเราปฏิบัติธรรมที่จริงเมื่อเราดูทัน ความงแตกจิตใจหนึ cái cái cái cái ่งขนาดควาบงแตกไปสลายไปขนานั้นเนยสลายเลยแต่มันก็จะหล้นมาใหม่สร้างตัวตนขึ้นมาใหม่พระวัิรู้ทันก็จะสลายไปเพราะการยดติดก็คลายเหมนมือนพอเรานิสัเราเียนี่เราก็ปล่อยละมันก็ว่าแต่เราก็จะยึดยึดมัมอแล้วก็ วางใหม่ไปยืดอ็นใหม่วางใหม่อันนี้คือมันยืดไปเรื่อยนะยืดไปเรื่อยยืดไปเรื่อยบางคนพอทําอะไรแล้วทําไมรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกไหมเวลาช่วยคนอื่นเรารู้สึกเหนื่อยเพราะอะไรวันนี้เราก็ช่วยมันไม่ดีขึ้นวันนี้เราก็เช่วยมันไม่ดีขึ้นเราก็ช่วยเขาสักวันแล้วก็พอนานๆไปเราเหนื่อย ก็ราะอะไรเราแบบไว้หแต่ถ้าเราทําวันนี้จบทำวันนี้ก็จบที่จริงเราไม่ต้องการกำลังใจจากคนอื่นก็ได้นะก็จริงกาลังเราเข้าเดินแต่ที่เราไอ้ที่เราปล่อยก็คือปล่อยไอ้ความที่เรื่องราวในอดีตที่เราเคยทําแล้วมันไม่ได้ผลนะเราวางไปจะมาขยันเหมือนร่างกายเราก็มีกำลังเข้าเข้าเดิน แต่ที่เราหนักขึ้นนี่เลยก็้ากับแผลทุกวันทุกวันทุกวันก็เลยพอนานๆไปแล้วก็เลยทอตอท้อเลยจะต้องการกําลังใจต้องการให้คนอื่นช่วยไม่ใช่ช่วยอะไรนะช่วยถือให้แค่น้อยช่วยถือให้ชั่น้อยที่จริงถ้าเราปล่อยรู้ตัวเองเราเองก็สบายละเนี้ยค่อยเห็นค่อยๆเห็นแล้วก็วางไปมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าเบา เบาขึ้นนะเบาที่จริงมันมันแต่นะมันเบาคือพาล่างต่อไปจากใจแต่มันก็เบาทั้งใจเบาทั้งกายถ้าใครสังเกตสภาวรู้สึกตัวได้พอมันเจอแต่เพราะธรรมที่มันพัฒนาขึ้นกายก็เบาใจก็เบาเบาแบบมันโล่งมันโล่งใจ ร่มใจกายเบาแต่บางทีจะทําให้เป็นหลงเหมือนกันนะถ้าเรารู้ทันก็เบาก็เบาไม่เป็นหลงในความเบาบางทีมันเบาแบบแบบปิติก็มีก็แบบปิดติเดินตัวรอเบาสบายสบายมันเนเมือนจะลอยเมืนจะหอบก็มีบางทีมันเบาเพราะว่าแต่ถ้าเราแบบวิปัสสนา บาแบบนี้เปัญญาคือมันเบาก็เห็นว่าเราไปหลงแบบอะไรไป้หลงยึดอะไรไว้มันบางเบาตนั้นแต่ถ้าเอาแบบติดเนี่ยมันเบาแบบลอยลอยลอยไม่ได้เห็นด้วยปัญญาแต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาเนี่ยมันจะเห็นว่าเราติดอะไรติดพุ๊บอะไรเป็นไงเนื่อวางั่นเบาเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติธรรมซึ่ง พูดไปก็พูดให้ฟังเใย <c ười> แต่ <c ười> เราจะสำเร็จได้มันต้องอยู่ที่การกระทำของเรานะอยู่ที่การกระทำของเราถ้าเราให้โอกาสตัวเราทองนะเราก็จะทำได้ทุก ค, คนใลโยมนยที่มาบอกว่าจิตใจที่ดีที่สุดในการปฏิบัติธรรมคือนจะิตใจของมนุษย์ธรรมดาจิตใจธรรมดาีนแหละมีกิเรตอยนนนะู่ในและ <c oughs> มีความทุกมีความสุกอยู่นี่แหละนะเป็นจิตใจที่เหมาะในตารฝึกเพราะเราไม่ฝึกไม่ได้ฝึกว่าฝึกเอาดีนะฝึกให้เป็นนั่นเป็นนี่แต่เราฝึกให้เห็นว่ามันติดตรงไหนเราป่อยเราวางปฏิกัติธรรมไม่้ฝึกเพืจะเอานะฝึกเพืจะวางต้องคิดอย่างนี้นะ ตเมื่อไหร่ก็เรารู้สึกปฏิบัติทำเพื่เจะเอามันจะเริ่มทุกข์ตั้งแต่อยากจะได้ความสงบนะมันไม่สงบสักทีมันเป็นทุกข์อ่ะแต่ถ้าปฏิบัติทำเพื่อจะปล่อยปล่อยอะไรเมื่อมันไม่สงบเราก็ปล่อยรานไม่สงบก็ไม่เป็นไรก็อยู่ประมาณไปม่วก็ไม่เป็นไรก็อยู่กับกลงมั่วไปอยู่แบบไหนให้มันอยู่ได้ เราฝึกในการปล่อยตั้งแต่เริ่มต้นนะแล้วต่อไปไอติฐิติดผิมันเยะๆเราก็จะปล่อยวางได้นะก็ลองพิสูจน์ดูนะแล้วก็ให้อกต่าหนะ์ตัอ ด, ดูพนะวกเราเราก็มีน้ำท่วงมาได้แล้วดีลนะบานทีปฏิบัติธรรมก็แบบ น, นี้นะบานทีก็จะมีข้ออ้างเยอะ พ่ออ้างใหบบ้ไม่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยมีเยอะนะแต่พ่ออ้างให้ไปเที่ยวเนี่ยมีน้อยเนาะพ <c oughs> ่อพอ้างให้ ม, มาปฏิบัติธรรมไปวัดนี่ยอาจมานักปีเกลื่อนหลายคนนะบอกบอกต่อไปอยากให้มาหาพระโน้นบอกมาหลายปีแล้วนะไม่มาสักปีแต่ก็ไปเที่ยวต่างประเทศได้ไปเที่ยวที่อื่นได้คือก็ไม่ได้อะไรนะ <c oughs> แต่บางทีว่าบางทีเราเดี๋ยไปรอแต่โอกาสให้เราจัดสรรโอกาสของเรานะแต่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ให้รู้จักเฉลยโอกาสเพราะปฏิบัติธรรมจริงก็ไม่ใช่ว่าเราต้องมาแค่ตัวนี้หรอกนะถ้าเรารู้จักเฉลยโอกาสถ้าเราเข้าใจปฏิบัติธรรมจริงเราจะได้เมื่อไหร่ถือปฏิบัติธรรมแล้วเราเดินอยู่นะอยากปฏิบัติธรรม ก็ไปในเวลาตอนนั้นนั่นแหละหรือหรือเอ็มไอชอบตอนหนึ่งที่ในดลวงรัชกาลที่เก้าท่านสนทนาคำกับหลวงปู่ดูลย์นั่นบอกนั่นก็ไปถามธรรมะของหลวงปู่ดูวย์ว่าจะรับกิเลกตัวไหนก่อนประมาณนั้นหลวงปู่ดูลยท่านก็บอกว่ากิเด็กตัวไหนเกิดขึ้นก่อนก็รับตัวนั้นคือมันไม่มีว่าเราจะต้องรับ โลภหรือโกรโลงตัวไหนก่อเป็นขั้นขั้นแต่กิเด็กตัวไหนเกิดขึ้นในปัจจุบันในที่เราก็ละวันนั่นแหละนั้นที่จริงปฏิบัติธรรมก็คือทำที่ปัจจุบันนั่นแหละรู้ที่ปัจจุบันละที่ปัจจุบันวางที่ปัจจุบันเนี่ยถือว่าปฏิบัติกันแล้วนะก็ปลอดโปร่งเกินเว